หลักใหญ่ใจความของการมีชีวิตอยู่ของคนมันก็สรุปลงตรงที่ความสุขความทุกข์นั่นแหละยิ่งถ้าเรามีเงื่อนไขความสุขความทุกข์มันซับซ้อนเราก็น่าจะเป็นผู้ที่มีทุกข์มากกว่าสุขเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องสารวจ ชีวิตเราวิธีคิดของเราวิธีดำเนินความคิดของเราในการที่เราจะมีความสุขความทุกข์อะว่าความสุขความทุกข์ของเราเนี่ยเงื่อนไขในการที่เราจะมีความสุ ข, ขคืออะไรเงื่อนไขของการที่เราจะมีทุกข์เป็นยังไงถ้ามันซับซ้อนในการที่เราจะมีความสุขเงื่อนไขมันซับซ้อน่ มันก็ลำบากนะเราก็อยู่ยากอย่างคนมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เป็นไปตามหน้าที่อะ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกมันก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีลูกก็มีหน้าที่ของลูกนะอย่างความสุขของพ่อแม่ มันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกว่าลูกเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะโอเคสำหรับเราถ้ามันโอเคเราก็มีความสุขใช่ไหมมันถูกตรงถูกกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เราถึงจะมีความสุขยิ่งถ้างเงื่อนไขมันยากอ่ะ มันก็ยิ่งมีความสุขยากเนี่ยเหมือนอย่างสมัยก่อนเราก็จะได้ยินบ่อยๆพ่อแม่เป็นหมอก็อยากให้ลูกเรียนหมอใช่ไหมเพราะว่ารายได้ดีพ่อแม่ก็อยากจะเคี้ยวเข็นให้ลูกเรียนหมอไปด้วย แต่ถ้าลูกไม่ชอบเนี่ยลูกอยากจะไปเรียนอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างไปเป็นศิลปินอย่างไปเป็นนักศิลปะนู่นนี่ยิ่งสมัยก่อนเนี่ยมันความมั่นคงทางอาชีพทางไรายได้เนะี่ยมันก็ดูแลไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่แน่นอนแหละมันความชอบไม่ตรงกั น, นก็ทะเลาะ ก, กันนั่นแหละ พอลูกไม่ได้อย่างที่เราคิดไม่ได้อย่างที่เราอยากจะให้เป็นมันก็เป็นเงื่อนไขความทุกข์ของเราแต่ถ้าเขาเป็นในอย่างที่เราอยากให้เป็นได้เราก็ดีใจมีความสุขแต่สุขของเรามันจะสุขของลูกด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบก็ได้ อยากให้ทำก็ทำให้ได้เหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ได้ชอบนะอยากให้เรียนจบก็เรียนได้แต่ฉันก็จะไปเป็นอย่างอื่นแหละทีนี้มันชีวิตฉันแล้วนะเงื่อนไขความสุขมันเลยมีหลายอย่างซับซ้อนไปซับซ้อนยิ่งเราตั้งเงื่อนไขมากๆความสุขในชีวิตเรามันก็หายาก ไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขกับคนอื่นล่ะแค่ตั้งเงื่อนไขกับตัวเองเนี่ยมันก็ทํายากล่ะเรายังบังคับตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็์เลยนประภษาอะไรกับคนอื่นมันแสดงให้เห็นว่าเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปแขวนไว้กับสิ่งภายนอก กับคนข้างนอกซึ่งเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้หรือควบคุมได้ยากพอเราความสุขของเราไปอยู่บนเงื่อนไขแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มียากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงมันมันจึงได้เปรียบกว่า กว่าคนที่เข้าใจในแบบที่เราอยากให้มันเป็นเข้าใจตามความอยากของเราเองนะหรือเข้าใจตามสมมติของสังคมของของคนรอบข้างที่เขาเห็นว่ามันดีเห็นว่ามันถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าดีมันจะไม่ดี หรือว่ามันดีไม่จริงหรืออะไรอย่างนี้นะแต่สิ่งที่เราควรจะเข้าใจด้วยคือความเป็นจริงอย่างคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นหมออย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันถึงจะมีเงินมากๆแล้วคนมีเงินมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเป็นคนมีความสุข เพราะสิ่งที่เราอนุมานว่าเรามีเงินมากคือเราจะได้มาซึ่งความสุขอันนี้คือต ก, กะาของเราแต่มันใช่หรือเปล่าซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าคนที่มันมีเงินมากมันก็ได้กินของประนีตได้อยู่อย่างประนีตแต่มันไม่ได้มีความสุขทุกคนความสุขทางกายที่มันได้รับแต่ความสุขทางใจที่เขาได้รับเนี่ยมันมีได้ทุกครั้งหรือเปล่า ก็จะมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าคนมีเงินมากไม่ไม่ใช่ว่ามีความทุกข์น้อยนะบางคนมีความทุกข์มากกว่าคนมีเงินน้อยอีกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูเนี่ยให้มันเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาระของคนเน่เอาแบบโลกโลกก็คือมันต้องการอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมละ่ะหรือเวลามีทุกข์ก็ทุกข์ให้มันน้อยๆใช่ไหม ในเมื่อเราเห็นเป้าหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางเดินมันก็เดินได้หลายทางแหละทีนี้มันไม่ใช่เดินเฉพาะได้ทางเดียวชีวิตเราก็เปิดขึ้นเงื่อนไขเราก็ไม่ได้แคบและเงื่อนไขเรามีไม่มากไม่มากเท่าเก่าเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างอย่างลูกเนี่ยลูกมันจะไป เป็นศิลปินถ้ามันมีตังทำมาหากินมีศักยภาพในการหาตังแล้วมันอยู่ได้แล้วเ็าก็มีความสุขในสิ่งที่เขาทำมันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรามีความเห็นว่าเขาต้องเรียนอย่างนี้เท่านั้นเป็นหมออย่างเดียวนะอันนี้เรา ตีกรอบเงินไขความสุขของเราเนี่ยมันแคบเกินไปแต่พอเราเข้าใจตามความเป็นจริงได้ดีขึ้น่เราก็เห็นว่าเออความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันทำอะไรก็ได้อาชีพบนโลกใบนี้มีเยอะแยะมันก็เหมือนเหมือนต้นไม้อ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นชนิดเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นพันธุ์เดียวกันปลูกในสถานที่เดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องโตมาแล้วหน้าตาเหมือนกันเดเด๊ะใช่เราบอกว่าต้นนี้สวยแล้วอีกต้นหนึ่งมัน ต, ต้องตอให้มันได้แบบนี้ลักษณะเดียวกันเป๊ะ เหมือนกับต้นนี้แล้วมันจึงจะสวยเนี่ยเรามองไอ้ต้นที่สองที่ไร้ที่ไรมันก็ขัดตาขัดใจตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติของต้นไม้มันก็โตมามีกิ่งสมบูรณ์มีใบสมบูรณ์มีดอกมีผลในแบบที่มันสมบูรณ์ดีมันก็สวยในแบบที่มันเป็นนั่นแหละ ให้ร่มเงาให้ดอกให้ผลได้มันก็สวยในแบบที่มันเป็นดีในแบบที่มันเป็นเราเห็นกี่ทีกี่ทีมันก็เบิกบานใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตีกรอบเนี่ยมาตรฐาน จะบอกว่าคนเราไม่ไม่มีมาตรฐานเลยมันก็ไม่ดีนะมันก็ต้องมีมาตรฐานแต่มาตรฐานที่ว่าไว้เนี่ยมันต้องไม่ใช่มาตรฐานแบบมาตรฐานกูอะ่ะถ้ามาตรฐานกูนี่ไม่ได้มาตรฐานกูนี่ไปครอบคนอื่นหมดมันก็พาลเอาไปมีเรื่องมีราวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอันหนึ่งมาตรฐานอันหนึ่งเนี่ยของการดําเนินชีวิตก็คือมักแปนี่แหละ สัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีวิตชอบงั้นเขาเป็นอะไรก็ได้ขอให้เขามีสัมมาอาชีพที่มันดีเลี้ยงชีพโดยชอบไม่ได้ไปลักปล้นจี้ชิงฆ่าใครหาไรายได้มาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ใช้ใจ่ายไม่เกินตัวอย่างนี้ก็ดีแล้วไง อยากไปทำอาชีพอะไรก็ได้เขามีความถนัดอะไรเขามีความชอบอะไรก็ปล่อยเขาไปทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็โตเป็นโตในแบบที่เขาเป็นนั่นแหละคนเรามันก็เหมือนต้นไม้มีความถนัดมีความชอบไม่เหมือนกันจะบอกว่าพ่อแม่ชอบอย่างนี้แล้วลูกต้องชอบเหมือนพ่อแม่ก็ไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มันต้องเหมือนกันคือต้องมีศีลที่มันเสมอกัน มีความเป็นคนดีอ่ะเพางั้นเถอะเราต้องอยู่บนพื้นฐานคือความเป็นคนดีที่เราไม่เบียดเบียนใครแต่เรามีความถนัดด้านไหนเนี่ยเราก็ตามสะดวกตามสบายแต่ถ้าเราจะฟิกให้เขามีความถนัดในอย่างที่เราอยากให้เป็นอันนี้ก็ลำบาก แต่บางเรื่องมันก็ต้องฝึกนะอย่างเช่นความอดทนอดกลั้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกความมีระเบียบวินัยอย่างงี้ก็ต้องฝึกมันก็เป็นคุณธรรมที่ดีอ่ะที่เราต้องคอยปลูกฝังให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะพ่อแม่อะไรที่มันดีอ่ะมันไม่ใช่แค่วิทยาการความรู้ที่เราจะให้กับกับลูกเงี้ยเดียว แต่สิ่งที่เราจะต้องให้นอกจากวิทยาการความรู้เครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญก็คือวิถีที่เขาจะดํารงอยู่บนบนโลกใบนี้ให้มันไปได้ในแบบที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์เนี่ยอันนี้สําคัญในวิทยาการที่จะเอามาใช้ในการหาอยู่หากินน่ยมันก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิต เป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะแค่เสี้ยวเดียวคนเรามีศักยภาพในการทํามาหากินได้ดีแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายๆเงื่อนไขนี่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมที่มันจะทําให้ ให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นความอดทนอดกลั้นไม่ว่าจะเป็นความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือความเพียรความมัธยตัติอะไรอย่างเงี้ยมันในโรงเรียนเขาไม่สอนหรอกสอนก็สอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสมัยเนี้ยในเมื่อเขาไม่สอนไม่จริงเป็นจังอ่ะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของ คนในครอบครัวคนรอบข้างที่เราจะชี้ชี้เขาเห็นนะว่าสิ่งเหล่านี้มันดีแต่การที่เราจะสอนเขาสอนด้วยปากอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถึงใจไงสอนด้วยปากอย่างเดียวมันไม่ถึงใจแต่สิ่งที่เราจะสอนให้กับลูกได้ดีเนี่ยก็คือการกระทำของเราเนี่แหละถ้าเรายังเป็นคน ขี้บนแล้วก็บอกให้ลูกว่าอย่าไปว่าร้ายใครอย่าไปว่าใครอันนมันคำพูดเราก็ไม่มีน้ําหนักนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ติไม่ว่าใครนะมันก็เป็นการสอนลูกไปในตัวนั่นแหละว่าการติกันว่าใครนะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเราพูดไปเขาก็มันเห็นนะมันเห็นจากการกระทะํานั่นแหละทํา สอนโดยการกระทำอธิบายให้เขาเข้าใจอันนี้มันมันจึงจะเข้าไปถึงใจนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนที่ขี้เหนียวแล้วก็จะสอนให้ลูกเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีเมตตาเป็นคนเอื้อเฟื้อมันก็มันก็ค้านกันอยู่เราบอกให้ลูกเป็นคนมีวินยัยแต่เราก็ แหกกดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีน้ำหนักในการที่เราจะชักจูงเขาให้เขาทำความดีเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราเสียก่อนเพราะเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีความสุขเราก็ต้องเริ่มที่เราจะสอนตัวเราให้ตัวเรามีความสุขเสียก่อนเริ่มจาก วิธีคิดว่าเราคิดเนี่ยว่าเรามีเป้าหมายเร า, อาเอาความสุขของเราเนี่ยเงื่อนไขความสุขของเรามันเป็นยังไงเราผูกกับอะไรไว้เงื่อนไขแล้วมันมีมากไหมแล้วเราคิดแคบเกินไปไหมมันก็จะเป็นตัวที่ เราได้ผ่านการกระทาได้รับผลของการกระทาแล้วเราก็พูดได้เต็มปากนั่นแหละสอนลูกได้อย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมันดีนะทาแบบนี้แล้วมันดีดีเพราะอะไรเราก็พูดได้อย่างเต็มปากไม่ใช่พูดได้อย่างตามที่เขาว่าว่ามันดีว่ามันดี เพราะนั้นคำพูดของเรามันก็จะมีพลังในการสื่อสารให้เขาเข้าใจการเริ่มเริ่มจากตัวเราสิก่อนถ้าเราทำบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเงี้ยเราก็มองในทำนองกลับกันถ้าเราเอาแบบนี้ไปยัดเยียดให้กับลูกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เขามีความสุขไหม เราอยากให้ลูกเป็นคนมีระเบียบวินัยสมมติเป็นต้นนะเราก็ต้องฝึกความมีระเบียบวินัยของเราให้เขาเห็นนั่นเลยแต่แต่นะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ทําตามเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเออถ้าเขาไม่ทามันไม่ได้ดั่งใจเราอันนี้มันเป็นงานภายในของเราแล้วนะอีกชั้นหนึ่งที่ว่า เราคาดหวังอะไรไว้แล้วมันไม่ได้ดั่งหวังเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์เป็นความกระทบกระเทือนจิตใจของเราเราก็ต้องปล่อยวางมันบ้างวันนี้ยังไม่ได้ก็ช่างมันบ้างก็เริ่มมันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ยังไม่ได้ก็เอาไว้รอพรุ่งนี้ก็ได้เอาใหม่พรุ่งนี้ถ้ามันไม่ได้เรางดกิ ด, ดเราก็บ่นว่า เราก็มองในความรู้สึกกลับกันของผู้รับนี่นแหละเขาก็รู้สึกว่าเอา้าบังคับเราให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลของการบังคับเราเป็นยังไงเขาก็เป็นคนขี้โกรธขี้งุดหกิจดูแลไอการที่ที่เขาบังคับให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราก็จะภาพรวมมันก็เป็นคนขี้โกรธขี้งดกิจถ้าเราดำเนินตามเขาไปอย่างนั้นนะ การบอกการสอนมันก็เลยดูไม่ค่อยขลังอะ่ะว่ากันเถอะแต่ถ้าเรามีคุณธรรมในใจเรามากขึ้นมีเมตตามากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นมีอุเบกขามากขึ้นวันนี้ไม่ได้มันขัดใจอยู่นะเราก็อมน้ำไว้จะได้ไม่ต้องบน่นก็พักบ้างปล่อยบ้างนะพรุ่งนี้ก็เอาหมา่ ทำร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเะมันต้องได้แน่นอนแหละถ้ามันไม่ได้ก็ตามเวนตามกรรมกันไปชีวิตใครก็ชีวิตมันนะสุดท้ายมันก็จบที่เตาเผาก็ไม่ได้เผาพร้อมกันด้วยนะมันก็คนละเตาใช่ไหมสุดท้ายมันก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันเราก็ทำได้ดีตามสถานะของเราแล้วไม่ต้องไปอะไรกับมันมาก ทางหทั้ ง, ม, งมวมันก็ย้อนกลับมาที่ความสุขความทุกข์ในใจของเรานั่นแหละว่าเราก็จะเป็นคนที่ทําตามหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็มีความทุกข์น้อยพ่อแม่มีลูกมันก็ต้องเลี้ยงให้ดีมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้มันดีถูกใจก็ต้องดีในแบบที่เขาเป็น ดีในแบบที่เขาถนัดร ะ, ระดับหนึ่งนะแต่ถ้ามันยังไม่ได้ดี mm. ก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนอดทนกันไปแต่เรารู้แล้วนี่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยอะไรมันดีอะไรไม่ดีคุณธรรมอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมให้คุณธรรมอะไรที่เขายังจำเป็นต้องพัฒนาอีก เ, เราก็ค่อยๆเลย ค่อยบอก ค, อค่อยสอนกันไปไม่ได้ก็พักไว้บางคนขี้ดื้อก็ปล่อยไปก่อนก็ได้เราสบายใจเรามีกำลังใจแล้วก็อา้าค่อยว่ากันใหม่แต่พอพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทีมันก็พูดยากนะบางครั้งเราบอกว่าเราก็ทาเต็มที่แล้วมันก็ได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ย มันก็ประมาณหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ทำความดีเนี่ยจะดีเท่าไหร่ถึงจะพอดีอย่างเงี้ยมันก็พูดยากแต่อย่างน้อยถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะพัฒนาความดีให้มันเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ก็หลากหลายได้ได้ในหลายๆแง่มุมเพิ่มขึ้นไปมันก็ต้องคอยละเอียดละออ ก, กับตัวเองเน่นแหละบางครั้งบางทีกลายเป็นว่าเราก็อก็ฉันถนัดอย่างนี้เนี่ยฉันทาไม่ได้ฉันทาไม่เป็น ก็ต้องจะหยุดก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราพัฒนาตัวเองให้มันได้ดีกว่านั้นได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้พัฒนาตัวเองแต่บนพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่ามักแ8ะเรามันต้องบริบูรณ์นะเราก็ต้องเบสอ่อนตรงที่ว่าเราไม่ทําไม่ดีกายะทุจริตแล้ก็ไม่มีวจีทุจริตแล้วก็ไม่มี มนโนทุจริตก็ไม่มีอันนี้มันก็จะดูก็เปลียบเป็นต้นไม้มันก็ดูเป็นกิ่งเป็นใบอะไม่ใช่แก่นแต่พอเราฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องสาวไปหาแก่นเหมือนกันว่าไอ้เก่นที่เราจะเอามาพัฒนาไปถึงไอ้กิ่งกิ่งใบใบพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่เรามีสติคอยเท่าทันใจเรานี่แหละ ว่าการที่เราจะมีความคิดไม่บั่นทอนจิตใจของเราเองหรือเป็นทำยังไงให้เรามีความอดทนอดกลั้นมากขึ้นพื้นฐานตรงนี้มันก็มาจากสติมันก็วิ่งกลับมาหาต้นตอของมันคือสติที่เท่าทันจิตใจเท่าทันความคิดซึ่งถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้ เราสามารถหาแก่นตรงนี้ได้แล้วเราก็ยืนอยู่บนหลักอันนี้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยทีนี้มันจะไปกิ่งไหนเนี่ยมันตามสะดวกตามสบายตามความถนัดตามแต่สถานการณ์จะไปกิ่งไหนจะไปใบไหนก็แล้วแต่เราเพราะนั้นการฟังฟังเทศก็ไม่ใช่ว่าเอาแต่กิ่งแต่ใบอย่างเดียวไม่ใช่ เราต้องย้อนกลับเข้ามาให้ให้เจอว่าต้นมันคืออะไรรากมันคืออะไรแก่นมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็พัฒนาในแบบของเราอ่ะกิ่งของเราใบของเราแต่แก่นอันนี้แหละจากแก่นอันนี้แหละพัฒนามันจะแก่นอันนี้ของเราพัฒนาให้มันเป็นในแบบของเราพัฒนาให้มันเป็นในแบบที่เราเป็นมันก็กลับมาตรงที่ว่า แก้ทุกนักพัฒนาความสุขเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะเขต้องคอยสอบทวนจิตใจอยู่เรื่อยๆสอบทวนวิธีคิดอยู่เรื่อยๆทั้งหมดทั้งมวลก็ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานคือมีสติที่คอยเท่าทาันจิตใจเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกแบบนี้ฝึกก็คือเพื่อให้เรามีสติที่มัน เท่าทันจิตใจของเราได้ละเอียดละอ่อขึ้นเท่าทันความคิดมากขึ้นพอเราเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นเราก็มีคำถามเกี่ยวกับตรกกะความคิดของเราได้ดีขึ้นว่ามันถูกแล้วหรือยังมันถูกตรงถูกต้องหรือยังเพื่อที่จะแหกสมมุติออกมาให้ได้แหกสมมุติออกมาเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนสมมติมันกักขังเอาไว้ การมีสติที่มันเท่าทันอย่างนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ